ใยแมงมุมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เบา บ, บางมากนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เบาบางอย่างหนึ่งในธรรมชาติเลยทีเดียวแต่ที่จริงนั่นป็นภาพลวงตานะเพราะที่เพราะความจริงแล้วนี่ใยแมงมุมนี่เหนียวมากนะน้องๆ้องเหล็กกล้าเลยนะไม่น่าเชื่อนะสิ่งที่เบาบางแบบนั้นเนี่ยแต่นเหนียวน้องๆเหล็กกล้าเลยแถมยังดีกว่าช น, นะยังดีกว่าเองนะคือยืดหยุ่นได้ ด้วยนี้เนี่ยแมงมุมเนี่ยถึงใช้ใยเนี่ยนะในการดักจับสัตว์ไอการที่แมงมุมเนี่ยสามารถจะผลิตใยที่มีความเหนียวน้องๆเหล็กกล้านี้ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะและยังสามารถที่จะถักทอนะเรียกว่าดักจับสัตว์นี้ได้นานาช น, น, น, นิดเลย เดีย๋ยวว่าแต่มแมลงเลยนะที่จะโดนใยแมงมุมเนี่ยดักเอาไว้ชนิดที่ว่าไม่มีทางหลุดไม่มีทางรอดไม่มีทางดิ้นได้เพราะใยนี้ไม่ยอมขาดแต่แม้กระทั่งสัตว์ตัวใหญ่ๆนะใหญ่กว่ามแมลงหลายเท่านี้ก็เจอใยแมงมุมนี้ก็เสร็จเหมือนกันนะมันมีคนดักถ่ายนะใยแมงมุมเนี่ย บอกว่ามีปาดนะหรือเขียดตัวหนึ่งเนี่ยมันกระโดดนะกระโดดระหว่างกิ่งไม้เนี่ยนะหรือระหว่างต้นไม้แต่บอกว่าไปติดนะไปติดใ ย, ยแมงมุมมันดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดนะเพราะว่าใ ย, ายแมงมุมนี่ทั้งเหนียวนะแล้วก็ทั้งแข็งแรงมาก มันดิ้นแล้วดิ้นแล้วนจนกระทั่งหมดแรงเลยนะก็คงจะเป็นเวลาหลายชั่วโมงระหวงที่ดิ้นเนี่ยนะแมงมุมเนี่ยมันก็รู้นะเพราะว่าใยเนี่ยมันสะเทือนแต่ว่าแมงมุมก็เฉยนะนิ่งจนกระทั่งป่าเนี่ยนะหมดแรงเลยนะพอป่าเนี่ยนิ่งนะ แมงมุมนี้ก็ตรงไปที่ป่าตัวนั้นเลยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดนะก็คือว่าแมงมุมนี้ไม่ได้ไปกินป่านะเพราะว่ามันกินไม่ได้มันกินได้แต่มแมลงแล้วไปทำไมนะไปช่วยนะไปช่วยปา่าช่วยยังไงนะก็ช่วยตัดนะตัดใยนะ ตัดใจทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นที่รัดตัวปาดเอาไว้จนขาดหมดทุกเส้นนะสุดท้ายปาดก็ตกลงมาสู่พื้นปลอดภัยนะไม่ตายเออนี่นเป็นภาพที่น่าทึ่งมากนะแมงมุมนี่ช่วยชีวิตปาดเอาไว้เป็นป่าที่มาติด ใหญ่ของมันเองอันนี้เป็นธรรมชาติของสัตว์นะที่นาทึงตรงที่ว่าเนี่ยในเมื่อเป็นกินเป็นอาหารไม่ได้เนี่ยก็ไม่ปล่อยทิ้งเอาไว้ยอมที่จะช่วยให้ป่านั้นเนี่ยปลอดภัยบางครัจะบอกว่าเนี่ยที่ท แมงมุมทําอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าถ้าปล่อยป่าเอาไว้จนมันตายเดี๋ยวมันก็เน่านะผ่อนเน่าแล้วเดี๋ยวก็จะรบกวนแมงมุมจริงๆเนี่ยแมงมุมคงจะไม่มีสมองที่จะคาดการล่วงหน้านะว่าถ้าป่าตัว น, นั้นตายแล้วเนี่ยมันจะเน่าจะส่งกินเหม็นธรรมชาติของมแมลงเนี่ยมันคงจะคาดการล่วงหน้าไปไกลๆงั้นไม่ได้หรอก หรือจะมองว่าโอ้ถ้ามีป่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยมแมลงตัวอื่นก็คงจะมาติดใยแมงมุมไม่ได้จริงๆเนี่ยแมงมุมเนี่ยเวลามันชักใยเนี่ยมันก็ไม่ได้ชักไว้นานนะมันก็อาจจะทิ้งไว้สัก 4-5 หวันเหลืออาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วมันก็ย้ายไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ้การที่มันช่วยป่าตัวนั้นเนี่ยหรือว่าปล่อยให้ป่าตัวนั้นเนี่ยตกลงมาเนี่ยจากใหญ่ของมันเนี่ยนะมันคงไม่ได้ทำเพราะว่าไอ้ป่าตัวนั้นจะมารบกวนการทำมาหากินของมันหรือทำให้มแมลงเนี่ยมาติดนะกับดักของมันน้อยลงนะแต่มันคงตั้งใจจะช่วยจริงๆนะเพราะมันรู้ว่ามันกินไม่ได้นะ กินไม่ได้ก็แทนที่จะปล่อยเอาไว้นะกลับทํายิ่งนะคือไปช่วยนะนี่เป็นบทเรียนที่มนุษย์เรานี่ควรจะเรียนรู้นะเพราะบางครั้งคนเราเนี่ยเราฆ่าสัตว์เนี่ยทั้งที่ไม่ได้มากินเป็นอาหารเลยสัตว์บางอย่างเราก็กินไม่ได้หรือไม่อยากกินแต่ว่าก็อยากจะฆ่า อย่างมีสัตว์หลายชนิดในอเมริกาที่สูญพันธุ์เนี่ยเช่นวัวเนี่ยวัวไบซันเนี่ยไอ้คนนี่ยิงเล่นเลยนะขี่ม้ามัง่งหรือนั่งรถไฟมัง่งแล้ววัวไบซันนี่มันมากันเป็นฝูงฝูงหนึ่งก็เป็นพันเป็นหมื่นนะให้คนเห็นเนี่ ย, ยนะก็อยากจะซ้อมนะซ้อมว่าแม่นปืนแค่ไหนก็ยิงวัวไบซันเนี่ย ตายไปทีละตัวทีละตัวต ว, วัวตายบปนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกับวัวนะไม่หมคืคนอินเดียนแดงคนอินเดียนแดงเนี่ยฆ่าวัวแต่ละตัวนี่เอามาใช้ประโยชน์หมดเลยนะทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเขาทั้งกระดูกเรียกว่าใช้ประโยชน์เต็มที่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะวัวเหล่านั้นที่อุทิศ ร, ร่างกายอุทิศชีวิตให้กับมนุษย์ก็จะใช้ประโยชน์ทุกอย่าง แต่คนสมัยใหม่หรือคนขาวที่ <c oughs> แม้แต่คนปัจจุบันเนี่ยนะเวลาเห็นสัตว์เนี่ยนะขนองนะยิงเล่นเพื่อซ้อมเป้านะยิ่งสัตว์ที่หายากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะทำในอเมริกานี่วัวใบซานี่เป็นล้านล้านตัวนะแทบจะศูนพันไปเลยนะเพราะว่าคนนี่ยิงเล่น ไม่ได้คิดจะเอาประโยชน์นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นนิสัยที่เรียกว่าสู้สัตว์ไม่ได้เลยนะสัตว์เนี่ยถ้าว่ามันเจอสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยแม้จะเป็นสัตว์กินเนื้อนะแต่ถ้ามันเป็นสัตว์ที่กินไม่ได้นะมันก็ไม่ทําอะไรนะเรียกว่าต่างคนต่างอยู่และยิ่งอันนั้นนะคือช่วยด้วยนะ ทั้เห็นสัตว์บางชนิดเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นอาหารของมันเนี่ยกำลังเดือดร้อนนี่มันช่วยนะอย่างเคยเล่ให้ฟังน ะ, ะปลาฉลามเนี่ยไปเจอเต่าเต่านี่ไม่ใช่อาหารของปลาฉลามอยู่แล้วนะแต่เต่าตัวนี้เนี่ยมักลัวมันติดติดเชือกที่ติดแถอวนที่ขาดแล้วแถอวนี่มันก็รัดคอมัน มันก็ทำท่ายาแย่ฉลามทำไงนะฉลามนี่งับนะฉลามเนี่ยงับเต่าตัวเนี่ยแล้วก็ว่ายมาหาคนนะมีเรือลำหนึ่งจอดอยู่กลางทะเลเนี่ยเห็นฉลามตัวนี้เนี่ยนะมันคาบเต่ามาแล้วมันก็เอาเต่านี้มาวางไว้นะตรงบันไดนะที่เหยียบเรือเนี่ยแล้วมันก็จากไปนะ อันนี้มันคงไม่ใช่เป็นความบังเอิญ น, นะมันคงตั้งใจอยากจะช่วยช่วยเตา่าเต่าเป็นอาหารของมันไม่ได้นะแต่มันก็ไม่นิ่งดูได้นะเห็นเต่าเดือร้อยมันก็ช่วยอั น, นี่เป็นเรียกว่าน้ําใจนะหรือเราจะเรพาะคุณธรรมของสัตว์นั่นก็ได้นะที่มือเราควรจะเป็นแบบอย่างที่จริงแม้กระทั่งสิ่งที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือเอามาเป็นอาหารได้เนี่ย เราก็ต้องมีความใส่ใจทนุมนอมนะอย่าพระเจ้ายังเคยตรัสนะถึงผีเสือเเส้อเนี่ยผีเสื้อเนี่ยมันดูดน้ําหวานจากดอกไม้แต่มันก็ไม่เคยทําให้ดอกไม้นี่บอบช้าเลย น, นี้พระเจ้าเนี่ยตรัสถึงผีเสื้อนี่เพื่อสอนคนเรานะเดิมอยู่ทัานเล้งทานใจสอนพระนะว่าเนี่ยพระเราต้องพึ่งญาติโยมนะ เหมือนกับผีเสื้อที่ต้องพึ่งน้ําหวานจากดอกไม้แต่เราก็อย่าทำให้ญาติโยมเดือดร้อนนะแต่ที่จริงเนี่ยอุปมานี้ก็มาใช้ได้กับคนทั่วไปนะหมายถึงว่าคนแล้วเนี่ยต้องพึ่งพาธรรมชาติเราต้องอาศัยปัจจัยเสียธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ควรจะทําให้ธรรมชาติเดือดร้อนนะรบกวนแต่พอดีและไม่ทําให้เขาเดือดร้อนเหมือนกับที่ผีเสื้อไม่ทําให้ดอกไม้เนี่ยบอบช้า ถ้าคนสมัยก่อนนี่ก็ก็มีคุณธรรมข้อนี้นะคนสมัยก่อนนี่ก็พึ่งป่าพึ่งน้ําแต่ก็อนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ําเอาไว้ให้มีความยั่งยืนจะได้พึ่งพาสายกันต่อไปได้พึ่งพาสัตว์แต่ว่าก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้กับสัตว์มากนะแต่เดี๋ยวนี้นี่พอเราได้ไประโยน์จากป่านะเช่นไม้ หรือว่าปัจจัยสีนี่แทนที่จะเกิดความสำนึกบุญคุณนะกลับตัดใหญ่เลยนะตัดแล้วตัดอีกจนกระทั่งป่านี่เตือนเลยแต่ก่อนนี่เวลาเก็บหน่อไม้นี่นะก็จะเก็บแต่หน่อไม้ที่โตแล้วแล้วก็เก็บแต่พอดีนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงเวลาเจอหน่อไม้นี่ตัดจนเฮี้ยนเลยนะไม่เหลือแม้แต่บางทีหน่อไม้ที่ยังยัง ยังไม่ได้ที่ก็ตัดนะแทนที่จะปล่อยให้มีหน่อไม้เติบโตมาเป็นต้นไผ่บ้างเพื่อให้เกิดความยั่งยืนปีหน้าปีต่อต่อไปจะได้มีไผ่ไว้เก็บกินเปล่านะตัดจนหมด ท, ทั้งทงที่หน่อไม้บางบางหนอนี่เอาไปกินไม่ได้ไปขายไม่ได้นะแต่ว่าก็ตัดไว้ก่อนนะตัดเสร็จแล้วก็ทิ้งอันนี้เรียกว่า มนุษย์เราเนี่ยไม่เคารพธรรมชาติสุดท้ายธรรมชาติก็ตอบแทนเรานะพอเราไม่รักษาธรรมชาติพอธรรมชาติยำแย่เราก็เดือดร้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ถ้าเราจะอยู่รอดได้นี่บางทีเราก็ต้องเรียนจากธรรมชาตินะเพื่อเราได้มีคุณธรรมมีความเคารพแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ